อนุนัยปฏิฆวิปปมุตตาจะได้มีจิตระใครและโกรธแค้นหามิได้สยะเมวะโสบุรุษผู้นั้นประมาทพลาดล้มลงเองณสัญญาญะด้วยตัวมิได้สำคัญสัญญาจะโทษเอาว่าพระสุทธากโกรธขึ้นจึงเผอิญให้ต้องบาดเสี้ยนน้ำทางนี้หาถูกไม่